ทุกวันไม่เคยทำวัดเย็นไม่มีเสียงแต่วันนี้มีกำลังใจอณะอาจารย์สิริยา <c oughs> อาจารย์สกลนคนรรัสมนัสพวกเราก็ได้เห็นข่าวมาหลายวันกระตือรือร้อนกันทั้งพระสองทั้งแม่ชีทั้งญาติโยม นี่อาจารย์สุดิยานั่งอยู่ตรงนี้เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนที่ชัดเจนแม่นยำในการปฏิบัติในการกระทาในการตั้งหลักตั้งแหล่งไม่จรจัดตั้งท่านั่งทางดีเพื่อสอนคนนะ บอกเราก็เป็นมิตรเป็นสหายกันไม่ได้เปรี่ยวเรียวได้ปฏิบัติธรรมก็ทำกันเดียวกันให้มีปี่ในในการใช้ชีวิตไม่ใช่วินได้สองรอยข้ออย่างเดียววิ่ในการใช้ชีวิตเกี่ยวการฝึกตนสอนตนนี่ ให้เป็นการบ้านทำห้เสร็จทุกวันทุกวันในลำดับลำนำการใช้ชีวิตให้ถูกต้องชัดเจนแ ม, ม่นยำเอากายเอาใจมาเป็นวัตถุประกอมาเป็นบทเรียนหายใจเข้าหาย ใ, ใจออกหาย ใ, ใจยาว้อจากน้อยวันหนึ่งก็สักบ นาทีมีสติทุกลมหายใจเข้าออกมีประโยชน์ <c oughs> ต่อสุขภาพร่างกายถ้าเป็นโลกความดันก็เท่ากับกินยาเม็ดหนึ่งหมอว่าอย่างนั้นแล้วเราก็ได้ผลต่อสมควรเราเป็นคนชื่อโลกเป็นเดินของโลก กต้องฝึกตนสอนตนหลายอย่างสติมันมีอยู่แล้วมันไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนแต่ว่าต้องฝึกตนเพื่ออะไรเพื่อเยี่ยวยายาอย่างเดียวก็ไม่ไหวต้องเยี่ยวยาตัวงในกรรมฐานนอกจากมีลมหายใจก็อาศัยการเคลื่อนไหว ให้มีสติไปในกายอะไรที่มาเกิดขึ้นกับกายกับใจรู้เท่ารู้ทันให้หมดอย่าหลงไปกับมันอย่ามีตัวมีตนไปกับมันถือว่ามันซะไม่ใช่ชีวิตนั่นเป็นสุขไม่เป็นทุกข์รูปปัต น, น, นามนี้มีอาการต่างๆมากมายาเกิดกับรูปปัตน์ จะหลงนีสติดูทุกเนี้ทุกมุมที่มันเกิดขึ้นให้มันหลอกกันได้เพื่อให้มันหลอกมามางแล้วเสียเปียบความหลงเสียเปียบความทุกข์เสียเปียบความโกรธมามากแล้วจะหลงไปถึงไหนจะโกรธไปถึงไหนจะทุกข์ไปถึงไหนอิ ส, สนไขยทุกข์แล้ว พอกันเชติมันทำได้อยู่ปฏิบัติได้อยู่ไม่ลี้ลับในความหลงก็เปลี่ยนไม่หลงได้อยู่ทันทีนี่เชติร้อยเปเซใช่ในตัวบนเองควาหลงมาพ้องกันกับความไม่หลงดูให้แย่ปลายให้ได้ประโยชน์บทเรียนจากของจริงแท้ปฏิบัติทำไม่ชิดๆนาด้วย เหตุผลเป็นการพบเห็นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจอม่ใช่เหตุผลที่คิดหอส่วนประกอบเหมือนคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์อวิทยาศาสตร์ก็ได้มี่คือหลาวิทยาศาสตร์จะมาทางไหนถ้าเหมือนกันหมดทุกชีวิตมีกายมีใจเหมือนกัน ไม่ใช่คนละแบบหลวงพ่อเทียนเคยหลงแบบนี้หลวงพ่อเทียนเคยทุกข์อย่างนี้ถึงโน่นถึงพระพุทธเจ้าก็เคยหลงแบบนี้ท่านยังสอนเรื่องสติปัฏฐานสี่ใคเคยว่าได้ยินได้สวดสวดทายอยทำวัดสวดมนูเรื่องไหมลูเรื่องไหม <c oughs> <c oughs> เตื่นใหม่ได้ใหม่ให ม, ม่เลยนะลาอย่า ง, งางสติปัฏฐานที่หลักษาทา ย, ายระสูตรมาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตำลาหรือกายจารุปสนาสติปัฏฐานอ่านตัวงไหมไม่ต้องอ่านหนังสือเพื่อนต้องสาทยายาอ่านตล้วถูกก วันหนึ่งคืนหนึ่งอ่านได้อะไรที่มาเกิดขึ้นกับกายมาเกิดขึ้นไม่ตรงอ่านนั้นเกิดขึ้นเห็นเห็นอยังไงอันใดที่มันเกิดขึ้นกับกายถ้ามีตัวมีตนแต่นั่นผิดแล้วได้ศูนลบศนไม่มีเกณฑ์ไม่มีคะแนน ไดเห็นมาอะไรที่มาเกิดขึ้นเห็นว่าเออเห็นรู้รู้วันี้ทําขแนนในตัวเองไม่หลงไปเป็นสุขไม่หลงไปเป็นทุกข์รู้มาล่ายเป็นรูมอะไยังไงเป็นรูทั้งหมดเมื่อมีขคะแนนว่าเกรดดีเลื่อนได้ง่ายไม่ต้องเลื่อนซ้ำถ้าเกิดไม่ดีไม่ใส่ใจก็เรียนซ้ำ ทัาสุขก็เป็นสุขอนทุกข์ก็เป็นทุกข์เดียนซ้อมต้องพัฒนาสภาวะความรู้ให้ให้มันไวทันทีทันทีเด็ดขาดเด็ดขาดให้มันเด็ดขาดให้มันทันทีอย่าไปเอะใจทำไมททำไมมาเนิ่นช้าทันทีรู้ทันทีรู้ทันที มันยิ้มยิ้มเหรอปฏิบัติทำรร ม, มันไม่ได้ผิดได้ถูกไม่ได้กางวลตอนยิ้มยิ้มอมยิ้มสะเบอว่ามันได้ชัยภูมิที่ดีเหมือนนกรคที่ได้ชัยภูมิดีย่อมมีชัยชนะป ต, ติปัฐานนี่มันชัยภูมิพ่อป้าการน่าสงสารไหม <laughs> โป้มป่ก่อนนะแล้วก็มันมีโอกาสชนะได้ศัตรู ว, วาทางไหนเราต้องรู้ทั้งนั้นแหลนะแม่นยำแต่เป็นดาวุธก็ยิงแม่นจำนานในสมอละพูมจำนานในใชัยภูมิสมอละพูม เม่นโตข้าศึกสติเนี่ยสติปัฏฐานระในกายเนี่ยผ่านนี่ทั้งหมดเลยช่องแคบโช่อรักกอใช่ไหมงาสมุดอะไช่องแคบอยู่ที่ไหนเขาเชียกว่าหลไรเขาเรียกอะไรช่องแคบมาทางนี้ ห, นหมดนะเบอร์ศึกยิงเม่น รวมรู้จักตัวเป็นกำลังพลกราบข้าจึกวบ้มากง่ายถ้ามีคว า, ว ม, รา ม, รมรู้จักตัวงันหลงบันทุกบันโกดบันโลภมันวิตุกอมบ่นเศ้หมองดีใจเสียใจบาปไปหมดรวมรู้จักตัวนด้ไม่ต้องหาทางอื่น ถ้าเป็นเชื้อโลคก็สากฏของโลกโลกทั้งหลางรูปโลกนามโลกที่มันเกิดจากกายจากแจเรื่องเดียวเท่านั้นมีสติใครก็รู้ได้มีสติไปในกายเป็นประจําก็ต้องเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกาย มันแสดงเห็นทั้งหมดเหนทุกคนไม่มีใครไม่เห็นปิ๊กมือขึ้นก็ลู้ชักตัวได้ทันทีไม่ต้องรอแม้แต่วินาทีเดียวทันใจมากสติเนี่ปิ๊กมื่อขึ้นก็ลู้ยกมือเข้าลู้ลูทันทีไม่ต้องรอ หาเจ๋เข้าหาเจาก็รู้ทันทีมาแต่มาฝึกสติมันใช่ได้จริงกริงสติปาในกายเนี่ยเป็นของคู่กันเหมาะที่สุดไม่มีลี้ลับมันจะขยันนะได้เปลี่ยนหลงเป็นรู้นี่โม้มันขยันนันพอใจนั่นเป็นผลงาน มันเป็นกอบเป็นกรรมขึ้นมาจริงจริงการฝึกสติ <c oughs> เป็นกอบเป็นกรรมไม่ฟลาวไม่ปีไม่เป็นเหมือน <c oughs> ม่ความบากบันสักหน่อยบากบันเหงื่อไม่ไหลบากบันในความเพียรมีสติเหงื่อไม่ไหลาอาจจะเย็นซําไปด้วย นันพอดีมันปรับอุณหภูมิของร่างกายพอดีพอดีถ้ามีสติจริงๆถ้าไม่ใช่สติจะผิดอุณหภูมิของร่างกายจะเปลี่ยยากไปเลยยากเป็นยากผิดก็เป็นผิดถูกก็เป็นถูกฟุงซ่านก็เป็นฟุ้งซ่านสงบก็เป็นสงบปรับไม่เป็นส ต, ติมันไม่เป็นอะไรคือจะเห็นอย่างเดียว ผิดก็เห็นไม่เสียพลังงานถูกก็เห็นสุขก็เห็นทุกข์ก็เห็นเนี่ยมันไม่เสียพลังงานมันได้พลังงานทดแทนกันมันทดแทนเหมือนเครื่องยนต์ที่มันทดแทนพลังงานเวลามันหมุนได้แล้วหรือมอเตอร์เมื่อมันหมุนแล้วมันก็ไปของมัน มันสะต้าใหม่อาจจะยากหน่อยอาจจะกินไฟกินน้ำมันมากหน่อยถ้ามันได้ไปเรวมันไปง่ายๆสะดวกสะดวกเข็นสะดวกลูก้ไม่ใช่สะดวกหลงถ้าทำถูกนะเป็นการสะดวกมากการจเจริญสติปัฐานไปในกาย เหนอย่างเดียวไปหมดกบไปหมดเราเห็นเนี่ยอนสุ ก, ก็เห็นดัหละทุกก็เห็นนัน่นแหะอนั่นเรียกว่าเวทนาเราก็เห็นแต่เดียวการความคิดก็เห็นแต่เดียวไม่ต้องเรียกวันบ้าคิดปัญาการของกายของใจทำก็เห็น มีความสงบบ้างมีความผุ่งซ้อนบ้างมีความโม่งเมาหัวนอนบ้างมีปิติบ้างอิ่มอกเต็มใจบ้างมีการคล่ำเครียดบ้างแม้แต่มันจะเกิดที่ว่าทำอย่าไปหลงหลับเห็นอันเดียวตั้งแต่ต้นอันเดียวบทใช่อันเดียวบทธรรมที่เห็นอย่าเข้าไปเป็นกับมัน จำชั่มชำนาญในการเห็นอย่าให้ชำนาญในการเป็นกลับให้ได้ตรงนี้เหมืนกระถางถ้ามันผิดก็ต้องกลับถ้ากลับตรงที่มันผิดมันชำนาญ น, นะเหมือนเดินทางที่เราไปทางไหนถ้ามันผิดตรงไหนเราชำนาญมากการเดินทางการถูกมันไม่ค่อยชำนาญหรอกได้บทเรียนจากการผิด เรงว่าผิดเป็นครูไม่ใช่จะมาเสียใจยหรือจะมาประเมินตัวเองถ้าผิดรูน่ะดีแล้วเห็นผิดได้เปลี่ยนเป็นรูเนี่ยเห็นอะไรเป็นรูเป็นรูเนี่ย เป็นการสะดวกเป็นสุขาวิปัสสโกหรือว่าเป็นสุขปฏิปทาสุขวิปัสสโกผู้เจริญดิปัสส า, ารุวนพหันประเภทหนึ่งพลันที่เร็วไวพระาชิติวิโชสุขวิปัสสโกเนี่ยผู้เจริญดิปัสสารุวนรุวน ไม่ใช่สวองไม่ศึกษาเรื่องอื่นสุขปฏิปทาปฏิบัติสะดวกรู้ได้ง่ายคือทำแบบนี้หลงเป็นรู้ให้หลงเป็นผิดถ้าหลงเป็นผิดไม่ถูกไม่ชอบลำบากปฏิบัติลาบากทุกขปฏิปทาปฏิบัติลาบากรู้ได้ยาก ไม่ใช่วิธีไหนแค่แต่การมมัจจุขานิการโยกก็คือเร animals, ma. ื่องนี้เรื่องสติที่ไปเกี่ยวข้องกับอาการที่เกิดขึ้นกับปากับใจเป็นการมมัจุขานิการโยกถ้าสุขสุขเป็นสุขโอนเอเกินไปที่กรรมมัจุขานิการโยกโอนอทุกเป็นทุกที่กรรมมัจจุขานิการโยกโอนเอ ผิดเป็นผิดสงบกันสงบจงซ่านเป็นจงซ่านเป็นไปตามอาการเรียกว่าอ่อนเอเรียกว่ากามมัจฉันจุ ก, กา ร, รโยไม่ค่อยได้ผลเรื่นชา้าอัฏฐะจีบปัญหาริโยก็เช่นกันตึงเครียด ก, กันไปเอาจริงเอาจังวัวฟัดวัวเบียง ถ้าผิดก็ประกัดฟันสู้เปลี่ยนให้มันถูกหรือมันคิดอย่างนี้ไปห้ามคิดไม่อยากให้มันคิดก็คิดจนเครียดอัตะาเจตัตยาโยรกตึงเครียดเกินไปหัวเราะความคิดก็ได้ไม่เป็นไรมันจะรู้ธรรมะเพามันคิดนั่นแหละให้มันคิดลงไปเราจะรู้ทันมันถ้าใครไม่คิดสงบหรอ ไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีบทเรียนนะอ่ะทําลงไปยกมือลงไปความคิดไหลเข้ามานั่นแล้วดีแล้วไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องถูกเอาผิดเอาถูกกับความคิดผิดถูกมาอยู่ที่เรารู้ทาไหลออกงาเราจะรู้ทันมันเงื่อนการปล่อยเปิดไคยเรื่องเปิดไหมไม่ชีน้อยฮ <c oughs> ไม่เคยเรื่องเหรือ แล้วม่เคยจะบอกเป็ดคขังไว้ในเล่าสองร้อยตัวนี่กับก ป, ป่อยพอเปิดประตูมันเปิดก็ออกไปใช่ไหมแล้วจากทีูรั่าเป็ดก็นับหนึ่งที่ตัวหนึ่งหนึ่งสองสานับที่ประตูอย่ามองตามมันไปอย่ามองตามมันไปถ้ามองตา ม, มไปนับไม่ทันได้ถึงแค่สี่ตัวก็ลืมแล้วมันคิดไปกับความคิดมันจุไปกับความชุด พยายามห้ามมันห้ามมันเอาวอยุแล้วแล้วน้องมาลูลูตรงนี้ลูตรงนี้ลู่ตรงนี้เนี่ยสติมันเปลี่ยนเนี่ยนับเป็ดโปรออกจากเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าคือลูดตัดลู่ตัดลู่ตัดไม่ใช่เป็นนับหนึ่งผิดสองผิดสามผิดลู่ตัดลู่ตัดลู่ตัดลู่ตัดแล้วเพเทียนกันหัวไม่เขียดใส่กันสองสองอัน แล้วแล้วเอามือปาดไปตัดตรงหนี้ตัดตรงตัดซึงไม่เขียนมันเข้ามาตัดหนึ่งตัดเนี่ยมันออกไปเนยรูปตัดรูตัดรูตัดรูตัดเรียกว่าปฏิบัติธรรมทำให้มันสั้นลงมาถ้ามันสุกไปสุกมันยาวไม่สั้นเวลาอัจาท่านว่ารักยาวให้วันรักสั้นให้ต่อต่อความรูป ความหลงจะสั้นลงแล้วบาลูเนี่ยคือโตนกยาวให้บัน่นบั่นความหลงให้มันสั้นคือลู้สิกตัววิธีบัน่นไม่ใช่ไปเอาผิดเอาถูกกับมือนที่มันหลงที่มันคิดไปวิธีปฏิบัติเพื่อให้ไม่เสียเวลานาทีหนึ่งสองนาทีอาจจะได้ผลมากหนึ่งวันเจ็ดวันแต่จะดี ถ้าหลงเป็นหลงเรื่อยไปยสิบวันอาจไปเช่าคนที่รู้ทันรู้ทันวันเดียวนะเวลาเท่ากันนต่การกระทำไม่เหมือนกันเราจึงในวินัไหนเรื่องนี้ให้กับตัวเองบ้างให้สนุกปฏิบัติธรรมอย่าให้เป็นทุกข์ให้ความขยันก็ทำความขี่เจียจก็ยุด ไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าความพอใจของเราเป็นความรักเป็นความถนอมเดินนั่งสรเจ้าสอนชาวเสดจอุ้มมาดไปถึงกระติเด็นนั่งสร้างจังหวะมันเป็นลาบของเรากลัวที่เราจะมารู้จึกตัวมันผ่านเลยมาเราจะมารู้จักตัวผ่านอะไรมาบ้าง ัค่นจะมาถึงตัวนี้โอ้ยไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะนี่เรามีโอกาสได้มารู้ได้มารู้อย่างนี้มันเป็นลาภของเรามันผ่านอะไรมามากทีเดียวกว่าจะมารู้จักตัวที่กายได้นั่งอยู่ที่กะติของตนไม่ฉันแล้วได้มานั่งอยู่ที่กะติของตนมันงดงามภายในชีวิตของเราด้ย ได้เป็นกรอบเป็นคำขึ้นมาไม่ได้เสียงอะไรเราปลูปกข้าวต้องเสียงปลูกฮิกกูเขือต้องเสียงแต่ปลูกสติไม่ เ, เสียงเลยไม่มีเรื่องไม่มีท่วมรู้ทันทีรู้ทันทีมันสนุกดีมันพอใจมันเป็นงานที่ประดับ ชีวิตของเรามันได้ชีวิตเหมือนกับมันได้ชีวิตเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นมามองขึ้นหลังมันม า, มาไกลแล้วแต่ก่อนเคยเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนเคยเป็นอย่างนี้เรามองเดี๋ยวนี้อ้มันไกลไม่เราขึ้นไปกติแปดในรู้จากสูงเท่าไหร่เดินไปง่ายง่ายขึ้นไปถึงกติแปด ที่ไหนบ้านมันเกินกวดลังขาเจลาไก่แล้วทำไมาจึงรั่วมันเกินน้ำที่ชั้นสามจากเจลาจากกรตีแปดแม่จะตัอไปสองชั้นก็ยังไหลนะต่อมาจากโน่นนเราไม่รั่วมันสูงขนาดไหนน้ำที่เราเปิดในห้องน้ำชั้นสามันยังไหลพุ่งแรงเลยถ้าดีดขึ้นมันท่วมมังคายไหม เพรนั่นกติแปรมันเกินหลังคาสลาไก่แต่มันขึ้นได้น้อยแต่มันไปสูงกินข้าที่เรารู้เชื่อตัวดูตัวมองขึ้นหลังเนี่ยมันไกลเสร็จแล้วขนหัวลุกนะจะให้โกรธใจทุกข์มันทํามได้จะให้ดีใจใช่ใจมันทํามได้มันเปรียบเทียบได้มันฐานะฐานะอาฐานะ เปนเพื่อนหลงลว่หลงไม่ได้เหมือนเพื่อนคนหัวลุกเป็นเพื่อนพูดว่าเพูดมนได้เหมือนเพื่อนคนหัวลุกมองกล่อยจพกชาติพกชาติเก่ามันมันตายไปมันไม่พบใหม่มันได้ชีวิตใหม่ใหม่ได้เป็นว้มศรีบูจดก็เหมือนเราใส่เสื้อผ้าเกียราคัายเครื่องก็ แห้งแล้วังสวมใส่มันบริสุทธิ์สํมผัสด้ชีวิตใหม่ทียว่าพระมัจรรย์เนยครแล้วพอพระมจรรยก็คือเห็นไม่เป็นเนี่ยนี่แหละคือพระมจรรย์แต่หัวดำดำนุ่งผ้าสีไหนก็ตามพระมจรรย์ในชีวิตนะมันหมายถึงเห็นไม่เป็นไม่เปื่อนเลยถ้าสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์หลงเป็นหลงสงบเป็นสงบง่วงสั้นเป็นง่วงสั้นเปื่อน ผมเมื่อจำมันไม่เปิดเผย น, นะมันเห็นเนี่ยมันบริสุทธิ์พุดทองหมายถึงชีวิตนะไม่ใช่ร่างกายนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ชื่นเชิงทําไมเราจะไม่เห็นทําไมจะไม่ทำมาได้เพราะมันเห็นอยู่ของที่มีอยู่มันต้องเห็นอยู่มันต้องทําได้อยู่ทุกชีวิตเลยทีเดียว ก็ไม่มีเสียงนะเท่านี้ก็พอกันนะ น, นี้อาจารย์พวกเราพา ก, กันกราบอาจารย์เสยยาผู้มีภรษาหน่อยอาจารย์หันหน้าไปทางลูกจิตตั้งนี้แล้วพ่อทั้งสุขไม่ต้องกราบนะพากลาบก่อนถ้ากาบก่อนหล้ายาชมไม่ชีกาบ ยี่สิบปัวันษาอะรอ่ายอดจบรคเฉียตั้งเรีย้อหลวงพ่อหลวงพ่อสุริยา ตวตาสุริยาหลวงพ่อสุริยาแก่ไหมโยมอาจารย์ลูกศิษย์ของท่านเรียกหลวงหลวงพ่อสุรยาหลวงพ่อชื่ อ, อ, อ, อ, ย, อ, ย, อ ย, ยังไม่แก่นะ <laughs> งหล่นนมนะ <laughs> มีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วกับพระพร้อมกันนะ